ิ่งพวกเราภาวนาที่เกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมานะมีอยู่เรื่อยๆภาวนาเป็นนะมีมีขึ้นมาเรื่อยๆนะการภาวนาจริงๆนะถ้าหลักแม่นนะแล้วก็ขยันนะมันไม่ยากเกินฝีมือมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราทำได้อย่างหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งแต่ว่าอึด เก่งมากคิดมากนะภาวนายากครูบาอาจารย์ท่านชับสอนให้พานาซื่อๆบ้างภาวนาโง่ๆบ้างแลไม่ต้องใช้ความรู้ความฉลาดมากอาศัยความรู้มากฉลาดมากคิดมากก็ไม่เห็นความจริงความคิดมันปิดบงังความจริงสมนัติเราภาวนาซื่อๆภาวนาโง่ๆ ใจของเราเป็นยังไงคอยรู้สึกไปร่างกายมันกําลังเป็นยังไงคอยรู้สึกไปรู้สึกได้ทุกคนอยู่ละนี่พวกเราพอได้ยินคําว่าให้ร่างกายเป็นไงให้รู้จิตใจเป็นไงให้รู้เราก็เริ่มคิดมากจะรู้ยังไงจะ อ, อะไรไปรู้คิดมากทั้งนั้นเลยเด็กเล็กๆ เ, เ, เวลาฟังกรรมฐานเรียนกรรมฐานบอกให้มันดูใจมันก็ดูของมันได้เลยไม่คิดมาก เห็นในตอนนี้ใจกำลังตื่นเต้นใช่ใจกำลังหงุดหงิดเลยนะเป็นเรื่องง่ายๆพวกเราก็มีร่างกายอยู่แล้วมีจิตใจอยู่แล้วรู้สึกก็รู้สึกได้เราแค่ลาเลยที่จะรู้สึกพอได้ยินว่าให้รู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจดูความเป็นจริงของกายของใจเราก็คิดมากจะดูยังไองอะไรเงี้ยจะทายังไงดีตื่นเช้าขึ้นมา เป็นนักปฏิบัติตืนเช้าขึ้นมาก็คิดแล้ววันนี้จะภาวนาแบบไหนดีไปเดินดีไหมหรือจะนั่งดีตอนที่คิดว่าจะไปเดินดีหรือไปนั่งดีก็ขาดสติไปแล้วหลงไปเรียบร้อยแล้วของง่ายๆนะง่ายมากๆง่ายจนนึกไม่ถึงนะร่างกายมันหายใจเราก็แค่รู้สึกรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจอยู่เห็นร่างกายมันหายใจ ควาจริงแค่รู้สึกเท่านั้นรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกถึงจิตใจไม่ได้ไปเห็นด้วยตาหรอกเห็นด้วยความรู้สึกรู้ด้วยความรู้สึกคำว่าวิปัสนาว่าการเห็นเห็นด้วยใจไม่ได้เห็นด้วยตาเรารู้สึกร่างกายเรามีอยู่เราคยรู้สึกอย่าใจลอยถ้าใจลอยก็รู้สึกไม่ได้นี่ศัตรูเบอร์หนึ่งของการที่จะรู้สึกตัว รู้สึกกายรู้สึกใจก็คือใจลอยเผลอไปหลงไปนี่ใจลอยแล้วมันสนุกด้วยพวกเราสังเกตไหมเราชอบคิดอะไรเพลินเรู้จักไหมประโยคนี้คิดอะไรเล่นเพลินเพลนนี่แหละตัวผลานสติเลยยังมัวแต่เผลอเพลินเผลอเพลินเนกิเลสนะชื่อนั้นที่ราคะความเลอเพลินเราไม่เผลอเพลินเราคอยรู้สึกตัว รู้สึกไปสบายสบายแค่รู้สึกไม่ใช่บังคับไม่ใช่เพ่งจ้องนะทำแค่รู้สึกเท่านั้นเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกนะม่รู้สึกได้ทุกคนอยู่แล้วแต่เราลาเลยเพราะเราหมเดแต่เผลอไปที่อื่นพอคิดถึงว่าจะรู้สึกเราก็มานั่งเพง่งนั่งจ้องร่างกายก็จะนิ่งนิ่งจิตใจก็นิ่งนิ่งทุกอย่างนิ่งผิดความเป็นจริงไปหมด เลยไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้ถ้าเราจะรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงอย่าใจลอยอย่าเผลอไปรู้สึกตัวไว้แล้วก็รู้สึกเฉยเรู้สึกสบายสบายรู้สึกเบาๆสบายสบายไม่ได้ไปเพ่งไปจ้องม่จะต้องดูไม่ให้คลาดสายตาการดูจิตหรือดูกายนะดูสบายสบายไม่ได้ดูแบบจับผิด อย่างเราจะจับผิดใครสักคนนะเราก็ดูไม่ให้คลาดสายตาหรือจิตใจของเราเนี่ยเรากลัวมันจะทําให้ดีคอยจับผิดมันนะคอยจ้องมันไม่ให้คลาดสายตาอันนี้ไม่ใช่การรู้แล้วเป็นการไปคอยเพ่งคอยจ้องบังคับมากไปไม่แค่รู้สึกแค่รู้สึกนะไม่ใจลอยแล้วก็ไม่บังคับไม่เพ่งจ้องไม่ควบคุมกดดันมันไม่บีบคั้นมัน ทุกคนสามารถรู้สึกได้อยู่แล้วตอนนี้ร่างกายหายใจเข้าหรือร่างกายหายใจออกรู้สึกไหมลองรู้สึกนะรู้สึกอย่างสบายๆอย่าไปจ้องนะถ้าเราไปจ้องร่างกายเป็นเพ่งการหายใจหรือเพ่งลมหายใจแค่รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังหายใจรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนั่งรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังเกาที่กำลังพัดกาลังเคลื่อนไหวกาลังหยุดนิ่ง ค่อรู้สึกเรื่อยๆใจเราเป็นคนดูสบายๆถ้าใจเราเป็นคนดูสบายๆแล้วเรารู้สึกเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราดูสบายๆนะมันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นอย่างหนึ่งว่าร่างกายกับจิตใจนะเป็นโคนล่านกันร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกพอดูได้อย่างนี้มากๆนะบางทีเห็นทีแรกอนะ่ะบางคนกลัวเลย บางคนกลัวบางคนตกใจบางคนเสียใจก็ร่างกายที่เราเคยเห็นว่าเป็นตัวเราเนี่ยมันไม่เป็นซะแล้วมันกลายเป็นวัตถุเป็นก้อนาธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราตัวเราหายไปบางคนกลัวนะบางคนใจแห้งแล้งไปเลยอันนั้นเป็นปกติเพราะธรรมดาเรารักตัวเองอย่างรุนแรงพอใจของเราตื่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นร่างกายมันทางานไป ัูอยู่สบายๆอยู่ต่างหากมันเกิดไปเห็นความจริงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาตัวเราหายไปไหนเนี่ยตกใจกลัวหรือเซ็งไปเลยนะความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นเสมอนะเป็นปกติสาหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายมันเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่เรารักและหวงแหนความเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างที่สุดงัเราคาแค่รู้สึกนะ สมมติว่าใจเราเป็นคนดูสบายเห็นร่างกายไม่ใช่เรามันเกิดกลัวขึ้นมาให้รู้ไปที่ความกลัวความกลัวเป็นสิ่งที่แปลกปลอมจิตเป็นคนรู้ว่ากลัวหรือมันเกิดเบื่อขึ้นมาก็รู้ลงไปสบายๆก็แค่เห็นว่าความเบื่อมันเกิดขึ้นมาจิตเป็นคนดูอยู่สบายๆความเบือ่อความกลัวความเมืองว่างวังเวงนะอ้างว่างใจหายอะไรเนี้ยพอตัวตนหายไป ก็แค่รู้ว่ามีความรู้สึกเหล่านี้เกิดขึ้นความรู้สึกเหล่านี้ก็จะสลายตัวไปเช่นเดียวกับความรู้สึกทุกชนิดนั่นแหละสิ่งใดเกิดได้สิ่งนั้นก็ดับได้ใจเราก็จะเป็นอิสระเป็นกลางขึ้นมาพอใจเราเป็นกลางคราวนี้เราถึงเห็นร่างกายไม่ใช่เราจิตใจก็ไม่วุ่นวายไปเห็นอีกว่าจิตใจไม่ใช่เราตัวเราไม่มีจิตใจก็ไม่วุ่นวายสบายใจดูไปตรงไหนก็ไม่เห็นมีเราสักทิ่งไม่กลุ่มใจ สิ่งที่มีอยู่ก็แค่รูปธรรมบ้างนามาทำบ้างนะแต่เดิมเป็นคนเขลาเห็นรูปธรรมก็ว่าเป็นตัวเราเห็นนามารมก็ว่าเป็นตัวเราพอได้เห็นของจริงซ้ำแล้วซ้ำอีกใจเราเป็นคนดูสบายๆนี่เห็นความจริงขึ้นมาตัวเราไม่มีเห็นที่แรกก็ตกใจบ้างอะไรบ้างถาหายตกใจนะมาดูไปอย่างสบายใจจะเห็นเลยโอ้ร่างกายนี้นะ มีแต่ภาระมากมายตื่นเช้าขึ้นมาก็มีภาระต้องดูแลร่างกายเยอะแยะเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษต้องพาไปล้างหน้าไปอาบน้ําไปขับถ่านยะไปแต่งเนื้อแต่งตัวพามันขึ้นรถมาวัดนะมาฟังเทศพามันมานั่งฟังเทศนะพามันไปกินข้าวอะไรตอนไหนนะรู้สึกร่างกายมีภาระเยอะนะใจเราเป็นแค่คนดูดไปด้วยนะ ตอนเห็นร่างกายเป็นภาระมากเข้าใจก็ไม่ชอบอีกละใจก็อาจจะไม่ชอบว่าร่างกายเป็นภาระเกลียดมันไปเลยเกลียดให้รู้ว่าเกลียดอีกแต่ก็เป็นกลางต่อไปก็มาดูจิตใจก็เหมือนกันจิตใจก็มีภาระเยอะแยะเลยเดี๋ยวอยากโน่นเดี๋ยวอยากนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงติ้วติวตวหมุนตลอดเวลามีแต่ภาระมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยเห็นไปแล้วก็เบื่ออีก รู้สึกไม่ดีเลยร่างกายก็ไม่ใช่ของดีจิตใจก็ไม่ใช่ของดีเนี่ยเวลาเราภาวนาเราจะค่อยๆเห็นไปเห็นไปแล้วก็ให้รู้ทันอีกใจไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบนะถึงยังไงเราก็ต้องมีกายถึงยังไงก็ต้องมีจิตใจร่างกายถึงจะไม่ดีจิตใจถึงจะไม่ดีเป็นของไม่ดีไม่งามไม่วิเศษวิโสแต่เราก็ทิ้งมันไม่ได้ หนีไ่อยู่พรหมโลกมันก็ยังมีกายมีใจถ้าพรหมสูงหน่อยก็มีแต่ใจไม่มีกายหรือพรหมบางพวกมีแต่กายไม่มีใจยังไงมันก็ต้องมีอันใดอันหนึ่งอยู่งั้นถึงจะเกลียดร่างกายถึงจะเกลียดจิตใจนะก็ทิ้งมันไปไม่ได้ต้องอยู่กับมันเหมือนบางคนนะเบื่อหน้าสามีเต็มทีแล้วแต่ไม่รู้จะทิ้งยังไงนะทนอยู่กับมันไปทนอยู่แบบไม่ปรับปรืม อยู่ไปเรื่อยเห็นแต่ทุกข์นะเห็นหน้าที่ไรก็ทุกข์ทุกทีคิดถึงที่ไรก็ทุกข์ทุกทีกทนะแต่หนีก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยจิตใจพอมันเห็นธาตุเห mm ็นขันนะ mm hmm. เห็นความจริงของธาตุของขันมากมรู้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเหรอกมีแต่ของทุกข์แต่หนีก็หนีไม่ได้จะหนีไปไหนนะมันก็เอาธาตุเอาขันเนี่ยตามไปด้วยหนีไปขึ้นภูเขามันก็มีกายมีใจลงทะเลก็มีกายมีใจนะ ไปเข้าสมาธิมันก็ยังมีกายมีใจถึงไม่ชอบมันถึงไม่ดีไม่วิเศษวิโสก็ทิ้งมันไม่ได้เนี่ยใจจะค่อยๆเห็นไปสุดท้ายใจจะรู้เลยว่าถึงไม่ใช่ของดีก็ต้องอยู่กับมันใจค่อยๆยยอมรับความจริงอย่างบางคนเบื่อภรรยานะหาทางหนีหนีไม่รอดมันบอกถ้าทิ้งเมื่อไหร่มันเชื่อดเลยกลัวตายนกลัวตายไม่กล้าทิ้งทนทนอยู่ไปนะก็ไปก็ชินชินนะ ชินชินเราก็จะทนดูกายดูใจเนี่ยหเห็นกายกับใจนี่เป็นทุกข์ก็จริงนะแต่ว่าหนีไม่ได้ก็อยู่กับมันไปพออยู่กับมันไปแล้วก็อย่าไปเกลียดมันอย่ไปหนีนะค่อยรู้สึกค่อยดูค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยปัญญามันก็ค่อยแก่กล้าขึ้นกายนี้มีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา หายใจออกก็ชั่วคราวหายใจเข้าก็ชั่วคราวยืนเดินนั่งนอนก็ชั่วคราวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งก็ชั่วคราวความสุขความทุกข์ก็เป็นของชั่วคราวกุศลอกุศลก็เป็นของชั่วคราวจิตที่ไปดูจิตที่ไปฟังจิตที่ไปคิดก็เป็นของชั่วคราวเนี่ยเห็นทุกอย่างเป็นของชั่วคราวหมดเลยเห็นด้วยใจที่เป็นกลางแล้วไม่คิดจะดิ้นรนหนีมันไปไม่ใช่เกลียดชังมัน ยังเกลียดชังอยู่นะยังไม่เป็นกลางยังยังไม่เกิดมรรคผลหรอกแต่ว่าไม่ใช่แกล้งไม่เกลียดทีแรกก็ต้องทนทนอยู่กับมันก่อนนะแล้วคอยรู้คอยดูไปสุดท้ายจะเห็นเลยว่าสุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวคราวนี้จะเอาอะไรไม่มีอะไรให้เอาแล้วความสุขก็เอาไว้ไม่ได้นะความทุกข์ถึงเกลียดมันนะก็ห้ามมันไม่ได้แต่มันมาก็มาชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ไปกุศลหรือวกุศลก็เป็นของชั่วคราวไปหมดเลย ใจเห็นความจริงนะใจเขาเป็นกลางตัวนี้เป็นกลางเพราะปัญญาแล้เป็นกลางเพราะปัญญาทีแรกไม่ได้เป็นกลางด้วยปัญญาแต่เป็นกลางด้วยสติคือเกิดความเบื่อหน่ายในร่างกายรู้ทันความเบื่อหน่ายหายไปนี่เป็นกลางด้วยสติถ้าเป็นกลางด้วยปัญญาเนี่ยมันจะเห็นว่าทุกอย่างเท่าเทียมกันความสุขกับความทุกข์เป็นของเท่าเทียมกันกุศลอกุศลทั้งหลายเป็นของเท่าเทียมกัน ใครภาวนามาถึงจุดนี้บ้างยกมือสิมีไหมใครเห็นสุขกับทุกเท่ากันเท่ากันตลอดไหมหรือเท่าเป็นวันวันถ้าเป็นวันวันจ เ, เห็นได้ทุกคนเนาะพอมันเห็นสุขกับทุกเท่าเทียมกันนะั้นมันจะหมดความดิ้นรนของจิตเห็นทุกอย่างเนี่ยเท่าเทียมกันสิ่งที่เป็นคู่คู่สิ่งที่ตรงข้ามกันะ แต่เดิมเคยชอบอันหนึง่งเคยเกลียดอันหนึง่งเกิดเห็นว่าสิ่งที่เป็นคู่คนูะ่นะั้นเท่าเทียมกันทั้งหมดเลยนะพอเห็นได้อย่างนี้จิตจะหมดแรงดิน้นไม่มีการดิ้นรนต่ออย่างพอเห็นความสุขแต่เดิมมันก็ดิ้นอยากให้อยู่นานๆความสุขหายไปก็ดิ้นอยากให้ความสุขกลับมาความทุกข์เกิดขึ้นก็ดิ้นอยากให้หนีมันไปความทุกข์ยังไม่มาก็กังวลดิ้นรนว่ายัางไงความทุกข์จะไม่มาได้อีกนมันจะดิ้นตลอดเวลา จิตไม่มีความสุขนะหรือจิตมีความทุกข์อะไรก็ดิ้นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลก็ดิ้นมีแต่เรื่องจิตมันดิ้นตลอดตรงที่จิตมันดิ้นนะจิตมันปรุงแต่งจิตมันสร้างภพสร้างชาตินั่นเองถ้ามอไร่จิตทำกรรมจิตทำงานขึ้นมานะดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมา้วจิตสร้างภพสร้างชาติขึ้นภายหนดิ้นรนขึ้นมามันจะเกิดตัวเรานะมันจะมีเราขึ้นมา หรือมีการถ้าเป็นพระโสดาบันแล้ไม่รู้สึกว่าเป็นเรานะแต่มันไปหยิบฉวยมันไปยึดขึ้นมานไปยึดขึ้นมาเ็เป็นทุกข์ขึ้นมาอีกนี่ถ้าพอมันเป็นกลางมันจะหมดการดิ้นรนสุขจะมาหรือสุขจะไปก็เฉยเฉยทุกข์จะมาหรือทุกข์จะไปใจก็เฉยเฉยเฉยเพราะมีปัญญากุศลจะมากุศลจะไปกิเลสจะมากิเลสจะไปจิต ใ, ใจเป็นกลางนี่เราต้องฝึกให้ได้ถึงตัวนี้ การที่จิตเป็นกลางด้วยปัญญานี่แหละเป็นประตูแห่งการบารรลุอริยมรรคอริยมรรคจะไม่มีเลยถ้าจิตเราไม่เป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งหลายซึ่งมันเป็นคู่คู่สิ่งที่เป็นคู่นี่เราจะชอบอันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งนะโดยปกติบางคนชอบกลางวันบางคนชอบกลางคืนอะไรอย่างงี้บางคนชอบแสงสว่างมากๆบางคนชอบมืดมากๆเลยนะที่มีคู่เปรียบเทียบไปเรื่อย งั้นถ้ายัางหลงอยู่ในสิ่งที่เป็นคู่อยู่เนี่ยจิตจะดิ้นรนทํางานแต่พอเห็นว่าสิ่งที่เป็นคู่นั้นเท่าเทียมกันหมดจิตแค่หมดความดิ้นรนนะแล้วค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยจิตจะหมดความดิ้นรนงั้นรู้สึกนะรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจอย่าใจลอยอย่าบังคับอย่าเพ่งจ้องจะรู้สึกไปสบายสบายดูกายมันทํางานไปจะเห็นเลยเคลื่อนไหวก็หยุดนิ่งก็ชั่วคราว หายใจออกห า, <finishing up> หายใจเข้าก็ชั่วคราวนะร่างกายสุขร่างกายทุก์ก็ชั่วคราวรนะ่างกายคันก็ชั่วคราวสบายก็ชั่วคราวไปดูไปปวดเมื่อยก็ชั่วคราวไปรู้เรื่อยในจิตใจก็มีแต่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ก็ของชั่วคราวกนะุศลอกุศลก็ของชั่วคราวไม่ต้องไปแทรกแซงมันอย่าไปแทรกแซงให้รู้ไปเรื่อย จใจมันยอมรับมาทุกอย่างเป็นของชั่วคราวถ้ายอมรับได้นะจิตจหมดความดินน้นรนจิตความหมดความดิ้นรนเนี่ยจิตจะไม่แส่ใส่ออกทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเมื่อกี้เราเห็นพระมาจิตเราแสสายออกทางตามีตันหามีตันหาทางตากระโดดออกไปเป็นตันหาทางตาจิตเด็กไปเรียกว่ารู ป, ปรตันหาอยากดูรูป จิตก็เคลื่อนไปแต่ถ้าเห็นนะว่าทุกอย่างมันธรรมดาไปหมดนะจิตมันไม่เคลื่อนไปเมื่อจิตมันไม่ไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายนะจิตมันก็เข้าสมาธิอัตโนมัติถ้าจิตไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะี่จิตอย่างโครจรไปเที่ยวไปในกามในกามาวจรเที่ยวไปในกามจิตมัน เห็นทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้วทําไมต้องวิ่งไปดูวิ่งไปดูก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกขวิ่งไปฟังก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายก็วิ่งหนีความทุกวิ่งหาความสุขเหมือนกันวิ่งไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจก็อยากหาความสุขอยากหนีความทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเห็นสุขกับทุกข์มันเท่ากันมันไม่ต้องดิ้นรนแสบใจออกทางตาหูจมูกลิ้นกาย จิตรวมลงที่จิตงั้นถ้าภาวนาไปถึงจุดหนึ่งนะจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงจิตจะรวมลงที่จิตรวมอัตโนมัติเราไม่เคยเข้าฌานก็ไม่เป็นไรในเวลานั้นนะถ้าสติสมาธิปัญญาเราแก่กล้าพอแล้วจิตเขาจะเข้าฌานของเขาโดยอัตโนมัตินะเพราะมันไม่แส่สายออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็รวมลงที่จิตอันเดียวจิตรวมลงที่จิตแล้วนะ ถ้าสติสมาธิปัญญาเราพอบา ร, รมีเราพอแล้วสะสมมาพอแล้วนะสติก็ระลึกอยู่ที่จิตสมาธิตั้งมั่นอยู่กับจิตปัญญาเห็นความจริงที่ปรากฏขึ้นกับจิตจะเห็นสภาวะธรรมไหวๆขึ้นในจิตสองขนาบ้างสามขนาดบ้างจะไหวๆตัวขึ้นมาพอมันไหวขึ้นมาสองขณะดสมขนาตรงนั้นถามว่าอะไรไหวขึ้นมาไม่รู้ว่าอะไรไหวเพราะไม่มีคาพูด เนี่ยที่เจ้าคุณนอบอกของจริงนิ่งเป็นใบ้ของพูดได้ไม่ใช่ของจริงคนที่พูดได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาหรอกนะไม่ใช่พระธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาท่านเห็นสภาวะซึ่งมันไม่มีคําพูดสิ่งที่เหนือคําพูดที่สัญญานี่มันไม่ไปแป ล, แปลความหมายแค่เห็นสิ่งบางสิ่งปรากฏขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นดับไปนะจะเห็นอยู่สองขณะสขณะแต่ละคนไม่เท่ากัน พวกที่อินทรีย์แก่กล้ามากปัญญาแก่กล้ามากเห็น2ขณะพวกที่แก่กล้าน้อยหน่อยเห็น3ขณะทําไมต้องเห็น3ขณะถ้าเห็นแค่2ขณะนะจิตยังไม่ยอมปล่อยจิตยังไม่แจ้งยังไม่รู้จริงถ้าพวกปัญญาแก่กล้าแล้วบา ร, รมีกล้าแล้วเห็นแวบแวบสทีอะไรนี้นะจิตยอมรับความจริงแล้วว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับ จิตยำรับตรงนี้นะแต่มันไม่มีคําพูดนะถ้ามันบรรยายได้ว่านี่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับนะอันนี้ไม่ใช่ของจริงของของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงจนะเห็นอย่างนั้นพอมันเห็นแวบๆสองทีสมทีนะ <S <S จิตมันแจ้งแนละ้วรู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับหมดเลยจิตจะทิ้งตัวอารมณ์ที่มันไปรู้นั้นจะทวนกระแสเข้าห า, าธาตุรู้จะทวนกระแสเข้าหาตัวธาตุรู้ ตรงที่มันทวนกระแสเข้าหาธาตุรู้มันทิ้งอารมณ์นะนก็คือทิ้งโลกมันยังทวนเข้ามาไม่ถึงธาตุรู้นะไม่ถึงรรทำมันธาตุแท้ๆมันก็ยังไม่เป็นโลกุตตะละคัาบลูกค้บดอกสภาวะค้าบลูกค้าบดอกนี่เรียกว่าโคตรภูนะโคตรภูเป็นช่วงที่ขําเปลี่ยนโคตรจากโคตรปุถุชนเป็นโคต ร, รพระอริยะพระอริยะก็มีโคตรนะเรียกว่าโคตรพระอริยะข้ามจากโคตรปุถุชนนะ ก็ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยะมไม่ใช่ปุถุชนขับลูกขับดอกตัวนี้แวบเดียวเท่านั้นเปรียบเทียบเพ่อคล้ายๆเราเดินไปแล้ว เ, เราเจอท้องร่องเล็กๆนะเรากระโดดข้ามท้องร่องตอนที่เรากระโดดข้ามท้องร่องนั้นะขานี้ก็หลุดจากฝั่งนี้อีกขาหนึ่งก็ยังไม่ถึงอีกฝั่งหนึง่งนี่แหละคือสภาวะที่เทียบกับโคตรภูถ้านะพอเท้าแตะฝั่งนี้ถนะ้าถึงอริยมรร ในขณะที่เกิดอริยมรรคเนี่ยนะอริยมรรคปรากฏขึ้นอริยมรรคจะทำหน้าที่ประหัตประหารกิเลสส่วนลึกในจิต ใ, ใ, ในใจเรามันจะแหวกอาสวะกิเลสออกไปก่อนแล้วเข้าไปล้างสังโยชน์ข้างในทำลายสังโยชน์ข้างในกิเลสตัวแรกเลยที่มันเข้าไปล้างผลนนะันจริงๆมันล้างผลนันหลายตัวพร้อมๆกันไม่ใช่ล้างตัวตัวเดียวนะ ล้างทุกตัวพร้อมกันนะ่ะแต่ตัวที่โดดเด่นที่สุดนคือความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนคือสักยัติทิฏฐิเราเห็นว่ามีตัวมีตนตอนนี้รู้แจ้งแล้วว่าไม่มีตัวมีตนทำไมรู้ว่าไม่มีตัวมีตนเพราะรูปนามดับไปทั้งสิ้นเลยรูปที่มีอยู่ดับสนิทนะนามที่มีอยู่ดับสนิทนะเหลือแต่จิต ท, ที่เป็นาธาตุรูนะ้เป็นาธาตุรู้อยู่ปรากฏอยู่แต่คาว่ารูปนามดับเนี่ย มันไม่ได้ดับอย่างที่เรานึกหรอกคือในขณะแห่งอริยมรรคนะมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตมีเจตสิกเกิดร่วมกับจิต30กว่าดวงนะนั่นคือทําฝ่ายกุศลเนี่ยมาชุมนุมกันหมดเลยในขณะแห่งอริยมรรคอย่างโพธิโตโพธิปักเทียธรรมเคยได้ยินไหมสามสิประการเนี่มันจะมาชุมนุมกันนะ สรรมะฝ่ายดีเนี่ยมันจะชุมนุมลงที่เดียวกันนะคือที่ตัวธาตุรู้นั่นเองแล้วประหัตประหารทำลายกิเลสไปไม่มีความปรุงแต่งชั่วๆเลยในขณะนั้นขาดจะบั้นลงไปมีความปรุงแต่งฝ่ายดีมากเลยแต่ความปรุงแต่งฝ่ายดีก็สักว่าทำหน้าที่ไม่ย้อมจิตถ้าย้อมจิตก็ยังเป็นโลกอยู่ในขณะนั้นแต่ละตัวแต่ละตัวก็ทาหน้าที่ของตัวเอง ศรัทธาก็ทำหน้าที่ของศรัทธาวิรยิยะทำหน้าที่ของวิรยิยะสติทำหน้าที่ของ ส, สติสมาธิทำหน้าที่ของสมาธิปัญญาทำหน้าที่ของปัญญาแล้วก็รู้ทุกละสมุทยัยแจ้งนิโรธนะเกิดอริยมรรคอะไรเนี่ยเกิดอริยสัตว์ในขณะเดียวกันหมดเลยมันยากนะในการที่จะประชุมธรรมะฝ่ายกุศลให้ผนึกกําลังลงในขณะเดียวกันในที่เดียวกันในขณะเดียวกัน ในช่วขณะจิตเดียวในที่เดียวกันคือที่จิตมันเป็นการยากอยู่เพราะนั้นกว่าที่จะเกิดมาเกิดผลต้องพาวนากันนะสู้ตายเลยฝึกไปเรื่อยจนสติอัตโนมัติสีนีวอัตโนมัติสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอะไรใดอัตโนมัติหมดนะความดีอัตโนมัติไม่ได้มีเจตนาถ้าเจตนาจะมีสติไประลึกรู้ ยังไม่ใช่ถ้ามีเจตนาจะทําสมาธิยังไม่ใช่ถ้ามีเจตนาจะเจริญปัญญายังไม่ใช่เจตนาตัวนี้เป็นเจตนาทางใจเป็นความจงใจชื่อมโนสัญญาเจตนามโนสัญญาเจตนาเนี่ยเป็นปัจจัยเรียก อ, อาหารปัจจัยให้เกิดการกระทากรรมมีการกระทากรรมคือมีพบมีชาตินั่นเองงั้นในภาวะแห่งการเกิดอริยมากเนี่ย ไม่มีความจงใจใดๆเหลืออยู่เลยถ้าจงใจเหลืออยู่สักนิดหนึ่งนะจิตจะกระทำกรรมขึ้นมาแล้จิตกระทากรรมขึ้นมาจิตยังสร้างภพอยู่เพราะฉั้นตรงนั้นต้องฝึกจนมาอัตโนมัตินะค่อฝึกทุกวันทุกวันมันต้องอัตโนมัติเข้าสักวันหนึ่งอย่างพวกเราตอนนี้เวลาอารมณ์แรงๆมากระทบพวกเรารู้สึกไหมเนี่ยมันก็เริ่มอัตโนมัติแล้วนะแต่ว่าตอนที่รู้สึกไหมสมาธิยังยังหยุดต่างหากอะไรเงี้ยปัญญายังไม่เดิน เวลาบางทีรู้สึกตัวปั๊บเมื่อปัญญายังไม่แจ้งว่าเป็นใจหลักมันได้ได้ทำมามได้ทีละตัวได้สติก็ส่วนสตินะได้สมาธิส่วนสมาธิได้ปัญญาส่วนปัญญามันแยกแยกแยงแต่เราฝึกจนกระทั่งมันชำนิชำนาญ น, นะถึงจุดหนึ่งที่บารมีมันพอจริงๆทุกตัวมันจะทำงานพร้อมกันขึ้นมาแล้วไม่ก้าวไก่กันปกติเนี่ยจะมีตัวหนึ่งก้าวไก่ตัวที่เหลือทำงานตัวที่เหลือ ก็คือขันทั้งหลายนะั่นเขาทํางานตามหน้าที่ของเขาตัวที่ก้าวไก่คือจิตจิตชอบไปก้าวไก่ตรงนี้จิตไม่ก้าวไก่ทําไมจิตไม่ก้าวไก่เพราะจิตเป็นกลางแล้วจิตเห็นจริงแล้วว่าทุกอย่างก็งั้นๆแหละสุขทุกข์ดีชั่วเสมอกันหมดแล้วจิตไม่ก้าวไกแล้วไม่หลงยินดียินร้ายแล้วนั้นเราต้องฝึกนะการที่เราคอยรู้กายคอยรู้ใจเนี่ยสติเราก็จะเพิ่มขึ้นสมาธิเราก็เพิ่มขึ้นปัญญาเราก็เพิ่มขึ้นศรัทธาเราก็เพิ่มขึ้นวิริยะก็เพิ่มขึ้น อย่างแต่เดิมนะทำศรัทธาศรัทธาไปอย่างนั้นแหละศรัทธาแต่ปากพอเรามาหัสภาวนาเราเริ่มเห็นคำสอนของพระเจ้าดีจริงนะเราหัดได้ไม่นานเดือนสองเดือนเลยความทุกข์เริ่มตกหายแนละ้วเนี่ยเราเริ่มศรัทธาแน่นแฟนขึ้นแล้วแต่เดิมหลวงพ่อขอมัอกวันหนึงานาที10นาทีทำในรูปแบบยต่ไปไม่ต้องขอนะมันจะเพิ่มเอง จะขยันทำเพราะทาแล้วมันดีทําแล้วมันมีความสุขมีความสงบทําแล้วมันเกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเห็นดีนเห็นงามก็เกิดวิริยะขึ้นเห็นไหมการที่เราคอยพากเพียร น, นะสุดท้ายคุณธรรมฝ่ายดีเนี่มันจะเพิ่มขึ้นเคยเห็นแก่ตัวก็จะเห็นแก่ตัวน้อยลงเคยทํำบาปหน้าตาเฉยนะจะทําชั่วหน้าตาเฉยก็แทบจาไม่กล้าทําเนี่ยความดีนะมันค่อยๆสะสมสะสมนะเราอย่านึกว่ายากนะ ฟังแล้วโอ้โหธรรมะตั้ง30ิบหัวตัวให้ประชุมลงในที่เดียวกันในขณะจิตเดียวกันยากตายชักเลยไม่ยากดอกนะฝึกไปมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางฝึกของเราทุกวันอย่างนี้วันไหนดูจิตได้ก็ดูจิตไปตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายตอนไหนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้นะก็ทำความสงบพุทโธไปหายใจไปให้จิตได้พักผ่อน แล้จิตมีเรี่ยวมีแรงจิตสดชื่นมาก็กลับมาดูจิตได้อีกละเนีน่ยเวียนทำอยู่อย่างนี้แหละเราพื้นฐานรรักษาศีลห้าไวนะ้แล้วถ้าอยากภาวนาให้สบายนะก็มีวินยัยมีข้อวัดปฏิบัติบางอย่างมีความมากน้อยมีความสันโดษมีความไม่คลุกคลีปลารบความเพียรคือตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติต้องตั้งใจไว้ก่อน เนี่ยสิ่งเหล่านี้จะช่วยเราแลมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาสะสมมากเข้ามากเข้าเขาจะสมดุลของเขาพอดีถ้าปราศจากสตินะไม่สมดุลเลยแล้วมีสติไว้แล้วมีปัญญานะค่อยๆรู้เท่าทันไปบางทีปัญญานะปัญญามากก็าศรัทธาน้อยก็มีนะปัญญามากก็าศรัทธาน้อยแต่อาศัยสติเนี่ย สตินี่แหละเป็นตัวปรับสมดุลนะเป็นตัวปรับสมดุลงั้นเราเคยสังเกตตอนนี้ศรัธทธา ง, งมงายไปแล้วรู้ทันศรัธทธา ง, งมงไงก็สลายตัวเป็นศรัธทธามีเหตุผลขึ้นมาตอนนี้ปัญญารับหน้าแล้วนะอนี่มันชักจะ ค, คิดพิจารณาอุดตลุดไปแล้วคิดดักหน้าสภาวะไปแล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นเดี๋ยวก็หายความโกรธไม่เที่ยงนี่คิดนําไปแล้วนี่สติรู้เท่าทัน ก็ตัดไอ้ปัญญาล้าหน้าออกไปดังการที่เรามีสตินะคอยสอดสองดูแลจิตใจของเราให้มากเนี่ยจะเป็นตัวปรับสมดุลของคุณธรรมทั้งหลายให้มันเสมอกันศรนะัทธาวิริยาสติปัญญาสมาธิปัญญานี่สมดุลกันขึ้นมาตรงที่มันสมดุลกันได้นะอริยมรรคจะเกิดนะยากไหมยากถ้าคิดจะทําให้อริยมรรคเกิด แต่ไม่ยากเลยนะถ้ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางที่เหลืออริยมรรคเข้าเกิดเองแต่อริยมรรคเกิดนะเกิดชั่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองถัดจากนั้นอริยมรรคก็ดับอริยมรรคเป็นโลกุตระนะพวกเราอย่านึกว่าโลกุตรนะน่เที่ยงนะโลกุตระมี9อย่างมีมรรคสี่อย่างผลสี่อย่าง โสดาภติมักสกิทาคามีมักกนาคามีมักก็รหัตมักเวลาเกิดจะเกิดสลับกับผลโสดามักก็โสดาผลนี่คู่หนึ่งนะสกิทาคามีมักสกิธาคามีผลเกิดต้องเกิดคู่กันเกิดทีละคู่เป็นคู่คู่ไม่เกิดเดียวถ้าเกิดมักเมื่อไหร่ต้องมีผลจะเกิดผลอย่างเดียวได้ไหมถ้ามีมักต้องมีผลจะเกิดผลอย่างเดียวได้ถ้าเป็นพระอริยะอยู่แล้วแล้วเข้าภารสมบัติเข้าผลสมบัติ มีแต่ผลแนตะไม่ได้มีมรรคหรอกนะไม่ร่างกิเลสต่อนะเป็นที่พักแต่ถ้ามีมรรคต้องมีผล่นะเกิดคู่กันเลยเนะื้อค่ยฝึกไปตรงที่อริยผลเกิดเนะี่ยบางคนเกิด2ขณะบางคนเกิดสขณะพวกที่บารมีมากนะอริยผลจะเกิดสขณะพวกที่บารมีน้อยหน่อยนะยิน4ีแก่กล้าน้อยหน่อยอริยผลจะเกิดสองขณะ อย่างเป็นพระโสดาบันระยะผลเกิดมากสามขณะพวกนี้ไม่ถึงเจดชาติไม่ถึงถ้าเกิดสองขณะเจดชาติเชาติแต่นับได้ไหมนับไม่ได้ในตำราไม่มีในตำราไม่มีเลยที่จะบรรยายว่าตอนผลเกิดนีมีอาการยังไงบ้างเขียนแต่ว่าไปเสวยความสุข อันเป็นผลพวงจากมากรรคนีนะ่พูดได้เท่านั้นแต่หลวงปู่ดูลเคยบอกสนใจไหมให้รู้ว่าสนใจนะถ้ารู้ล่วงหน้าก็ไปคิดเอานะเดี๋ยวไปแต่งจิตเหมือนเลยนะแต่งได้นะไม่ใช่แต่งไม่ได้หรอกนี่ยสัมผัสพระนิพพานสัมผัสพระนินพพานเต็มชั้นเต็มภูมินะต่ามเปลียนพระโสดาสัมผัสพระนิพพานสองสามขณะ หลุดออกมาแล้วกลับมาอยู่ในโลกข้างนอกนี้ทวนเข้าไปพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นรู้เลยกิเลสอะไรละแล้กกิเลสอะไรยังไม่ละจะกลับเข้าพระนิพพานยากจะทําผลสมบัติทําพระราสมบัติยากต้องไปเริ่มมีปัสฉนาก่อนไปดูรูปนามใหม่นะจิตมันเคยเดินเข้าถึงตรงนี้รู้รูป ร, รู้นามเห็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยจิตเข้ามาเป็นกลางหมดความอยากจะได้พระนิพพานสัมผัสพระนิพพาน เป็นพระสกทาคาพระนาคาพวกนี้ก็ยังไม่ชํานาญพระนิพพานก็อาศัยการทํำวิปัสสนาเนี่ยก็กลับเข้ามาสัมผัสพระนิพพานเพื่อพักผ่อนเขเรียกพระสมบัติเป็นที่พักผ่อนถ้าเป็นพระอราหันต์เนี่ยท่านแค่มานาสิการถึงพระนิพพานพระแจ้งพระนิพพานอยู่แล้วพระโสดาบั น, นรู้สิ่งที่เกิดสิ่งที่ดับพระอราหันตรู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับ สิ่งที่เกิดที่ดับก็คือธาตุคือขันนี่แหละงั้นต้องเริ่มสตาร์ทจากธาตุจากขันพระอราหันต์นั้นแจ้งสิ่งไม่เกิดไม่ดับคือพันิพาณงั้นแค่มานาศสิการถึงก็ถึงนะก็มีความสุขความสงบเท่าที่ต้องการอยู่นะมีสมบัติอีกตัวนะนิโรธสมบัติเป็นอีกแบบหนึ่งนะพระสมบัติเนี่ยเป็นภาพสะท้อนของอริยผลของอริยผลตอนที่เกิดอริยามารรยาผลเนี่ย ันรู้พระนิพพานที่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานนิโรธสมบัติเนี่ยจะสะท้อนภาพของอนุปาทิเสสนิพพานนะไม่เหมือนกันในตำราไม่มีหรอกนะนครูบาจจารย์ท่านสอนเสินในทางปฏิบัตินะ้บอกกันต่อมานะสรุปนะถือศีลห้าไว้ฝึกให้ใจอยู่กันเนื้อกับตัวอย่าใจลอยอย่าเพ่งจ้องกายใจแค่รู้สึกสบายๆถึงกายถึงใจ การที่เราเคยรู้สึกสบายๆถึงกายถึงใจเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจนัคือสิ่งที่หลวงพ่อบอกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะคุณธรรมฝ่ายดีก็จะสะสมขึ้นนะสุดท้ายจิตเข้าสู่ความเป็นกลางอย่างแท้จริงนะด้วยปัญญาเห็นทุกอย่างเสมอกันจิตหมดความปรุงแต่งหมดเจตนาหมดเจตนาแนละ้วอรอยิยมรรคมัจะเกิดยังเจตนาอยู่ไม่เกิดหรอกจะเกิดภพแทน อาเชียนไปทนข้า